พิจารณากายจนใสเป็นแก้วข้อเท็จจริงที่เกิดกับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเดินจงกรมอยู่พิจารณากายขะตาสติตามสูตรท่านให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของปฏติกูนนากเกลียดโสโครกแต่หลวงพ่อไม่เอาอย่างนั้นพอขึ้นต้นผมฉันเกิดอยู่บนศีสระไม่แก่ไม่งบที่เกิดของผม